ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่าน FM 106 ครอบครัวข่าวข่าวเมื่อไม่กี่ และก็อีกวันพร้อมกับฟังเทศน์เช่นมหาชาติซึ่งเป็นความเชื่อความศรัทธาของคนไทยชาวพุทธเรา 3:00 น. นะนะคะก็เท่ากับว่ามีช่องทางในการ การที่ท่านทั้งหลายที่จดจ่อมั้ยจากการฟังมหาสุบินของพระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ ไม่เกินสัปดาห์นึงนี่คือในความคาดคาดเดาของนั้นว่าอะไรนะ 1, ไม<ใช> 1> ทบทวนอีกครั้งนึงคือภูเขาหิมะไหลเอ่อมือซ้ายทะเลทิศตะวันออกนะมือขวาพาดลงที่ทะเลทิศ<ใช> เอ่อจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณนั่นคือครอบคร่องคือว่าถึงโลกทั่วหมดนะข้อที่ 2 ในฝันว่าขาเอ่อมีย่า<ใช><ใช> 8 นั้นแล้ว 8 เอ่อ 4 นะขออภัยข้อที่ 3 นะฝันว่าหนอนทั้งหลาย นะ, นะ, นะ, นะ, 3 อันนี้เพื่อที่จะบอกให้ทราบว่านี้เพื่อที่จะบอก ส่วนข้อที่ 4 ก็เป็นนกคราวนี้ฝันเห็นนกเอ่อนกสีต่างๆนะบินมาจาก 4 ทิศนะเป็น 4 พันแล้วก็สีต่างๆในแต่ละพันเนี่ยก็มีหลักสีนะบินมาจาก เป็นสีขาวได้ก็คือ 4 ส่วน 5 แล้วก็ฝันถึงกองภูเขาอุจจระนั้นเยอะใหญ่มากเลยแล้วก็เดิน 4 เนี่ยพวกนี้ แต่ว่าไม่จมเมาหมกมัวหมันหมัวมันในสิ่งเหล่านั้นนะตามเห็นโทษตอนเป็นพริสิทธิ์ก็ยังฝันเห็นอยู่นะก็ คือคนไทยก็บอกว่าจินตนาการสูงก็บอกว่าถ้าหากว่ามันเกิดการเผื่อนไปฟังเป็นสาระเรื่องนี้ต่อยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคําไปหุ้มเจดีย์พุทธคยาร่วมกัน เล่าถึงเหตุการณ์สําคัญณสถานที่ที่ประดิษฐานเจดีย์ก่อนพระพุทธองค์ตรัสรู้จนถึงตรัสรู้นิมนต์ต่อๆต่อมา 45 ปีนะว่าเอ่อ คือเอาลาภสักการะของตัวเองมาอวดคนอื่นเนี่ยก็คือโชว์กองอุตตระของเราเข้าห้องน้ําปุ๊บเนี่ยเราอึออกมาอย่างเงี้ยนะ นะความฝันนี่ก็ฝันที่นั่นแหละณแถวพุทธคยานั่นแหละณแถวประเพณนั่นแหละแถวต้น นั่นคือคืออย่างสมมุติว่าถ้าเราเข้าสมาธิเนี่ยคุณก็สมาธิเอ่อจะรู้หล่มให้ใช่ก็ตามหรือใช้วิธีไหนก็ตามนะระหว่างที่คุณนั่ง นะคือทําได้ขนาดๆก็ 4 เพราะจิตของพระองค์เพราะจิตๆอันนี้คือเราสรุปให้ทราบที่ๆดับ 1> นะ 1 2 3 4 นั้นจิตเป็น<ใช>นะ 3 นะวิชา 3 นั้นคือความรู้ที่นะ เวลาที่อธิบายเวลาที่ท่านปฏิบัติเนี่ยจิตของท่านเนี่ยที่อธิบาย <c oughs> หมายจะอธิบายยังไงเหมือนมันเราก่ออะไรขึ้นคือคืนนี้ไม่ แต่จิตฉันต้องเป็นอย่างงี้กายมันจะมีเลือดมีเนื้อไม่มีเลือดไม่มีเนื้อเหลือแต่ <c oughs> ตั้งความเพียรอันไม่ถอยกลับไหนไหนในจิตณ<ใช> ไหน 1 ชาติ 2 ชาติบ้างหลายสังวัฒกะบ้างเราอยู่ในภพนั้นเป็นยังไงภพนี้เป็นยังตรง นะอวิชชาถูกทำลายแล้วนี้คือตั้งแต่ยามแรก นะยาม นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, นะ, 2 <ใช>ก็รู้ถึงจตุปปาตะญาณนะคือรู้ถึงว่าอนาคตจะเป็นยังไงจะไปเกิดเป็นอะไรนะคนๆหมด นะจนถึงยามที่ 3 นั้นยามปลายแห่งราตรีนะคือถ้าสมมุติเราแบ่งกลางคืนออกเป็น 3 ส่วนนะตั้งแต่ 6:00 น. ถึง 6:00 น. นะ 3 ส่วนส่วนคือปุพเพนิวาสานุสติญาณนะส่วนที่ 2 ก็คือ 3 ก็คือเอ่ออาคัสวคยญาณนะสวคยญาณ นะพอรู้อย่างนี้แล้วก็ถึงความที่ตรัสรู้สมบูรณ์แบบนะตรัสรู้สมบูรณ์ ราวนั้นเมื่อยังค้นไม่พบแสงสว่างนักอุทานนี้ เจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โรงเรือนของเจ้าเรา<ใช> คนอินเดียในสมัยก่อนนู้นเค้าพูดภาษาบาลีเนี่ยเค้าแต่งกลอนแต่งอะไรเนี่ยเรือนส่วนเอ่อโครงเรือนนั้นก็คือกิเลสในที่เป็นเชื้อใหม่ 3 อย่างที่ สิมเราอาจจะมาคุยกันต่อให้ละเอียดๆอ่ะนะคะกราบนมัสการท่านพระบูล ตำแหน่งใกล้ๆกันกับพระ ที่พุทธคยาเราก็จึงได้นําเรามา